เจรินพรท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตฝ่ายบนฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่21เมิถุนายนพุทธศักราช2548ตรงกับวันอังคารขึ้น15ห้าค่ำเดือนเจ็ด เป็นวันพระวันธรรมวัสวนะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ให้ความสำคัญต่อการมาบางเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเพราะเรามีความเชื่อมั่นมีความแน่ใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าล้วนเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมคือเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำ ตามความเป็นจริงทุกประการไม่มีความหลอกลวงซ่อนเล่นอยู่ในพระธรรมคำสอนเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เช่นทรงตัดสอนไว้ว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่เป็นเรื่องจริงทั้งสิน้น ทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะได้ไปเกิดบุญสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมชั้นอริยบุคคลจนกระทั่งถึงพระนิพพานตามลำดับต่อไปถ้าทำบาปทำกรรมก็จะต้องไปใช้นี่ตกนรกหมกไหมไปเกิดในอวัยทั้งสี่ คือที่อยู่ของเดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความจริงที่ไม่มีใครจะสามารถมาหักล้างได้เพราะเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎที่ไม่ขึ้นกับการและเวลาหรือสถานที่เรียกว่าอาการลิโกเป็นทั เป็นคาสอนที่จริงอยู่ตลอดเวลาจริงเคยจริงในอดีตอย่างไรก็ยังจริงอยู่ในปัจจุบันและก็จะจริงอยู่ต่อไปในอนาคตธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะโอปะนะยิโกคือน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจคือหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้ว ก็ควรที่จะน้อมมาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนเพราะการปฏิบัติกายวาจาใจของตนนี่แหละเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียก็ดีหรือนำมาซึ่งความสุขและความเจริญก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาโดยถ่ายเดียว เช่นเราปรารถนาจะเป็นคนดีอยากจะไปสวรรค์อยากจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแต่ถ้าเราไม่ทำตัวของเราให้เป็นคนดีเราก็ไม่สามารถที่จะรับอนิสงส์ผลของการประพฤติของการทำความดีได้เพราะมันเป็นเรื่องของเหตุและผลเหตุก็คือการกระทา ผลจึงตามมาต่อไปถ้าไม่มีเหตุผลย่อมไม่มีปรากฏขึ้นมาดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่สอนว่าทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทำดีแล้วจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทำาชั่วแล้วจะมีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมา ถ้าเราน้อมนำมาปฏิบัติเราก็จะไม่ช้าก็าเร็วก็จะเห็นผลของการปฏิบัติของเราเช่นการทาบุญทรทานรักษาศีลบำเพ็ญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการทาความดีละความชั่วถ้าเราได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้ว ผลก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราคือความสุขก็คือความสุขที่มีอยู่ในใจปรากฏขึ้นมานะอยู่ในใจทำให้ใจของเรามีความอิ่มเอิมีความอิ่มมีความพอไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นที่มีอยู่ในโลกนี้ที่คนที่ไม่มีความสุขทางด้านจิตใจ อย่างต้องแสวงหากันอยู่อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะเขาไม่รู้จักความสุขความอิ่มที่แท้จริงนั่นเองเขาจึงต้องแสวงหาสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เกิดจากการทําความดีทําบุญทํากุศลแต่เกิดจากการไปทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองนั้นไปใช้ไปซื้อข้าวซื้อของไปเสพความสุข ที่ได้จากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้จิตใจมีความสุขเพราะไม่ได้ทําให้อิ่มไม่ได้ทําให้พอนั่นเองจึงจะต้องมีความหิวมีความกระหายมีความตะเกียกตะกายที่จะต้องหามาอยู่เรื่อยๆหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ยังไม่รู้สึกพอสักสักที จึงกลายเป็นความทุกข์ไปทุกข์เพราะอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองนี่แหละคือความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการทำความดีทำบุญทำกุศลถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากการทำดีทำบุญทำกุศลเช่นทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตของเราก็จะก้าวเข้าสู่ความสงบ ก้าวเข้าสู่ความสุขความอิ่มความพอนอกจากนั้นแล้วจิตของเรายังจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกความเจริญของจิตนี้ไม่ได้หมายถึงจเจริญด้วยเงินทองด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานต่างๆแต่จเจริญในสภาพของจิตคือเจริญถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเจริญขึ้นสู่ความเป็นเทพสู่ความเป็นพรหม สู่ความเป็นพระอริยะบุคคลต่อไปนั่นนี่คือความหมายของความเจริญในทางการทำความดีไม่ได้หมายความว่าเราทาความดีแล้วเราจะร่ำรวยเราจะได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคุณหญิงคุณนายให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผล หลักที่เราจะได้รับจากการทําความดีแต่อาจจะเป็นผลที่ตามมาก็ได้คือถ้าคนเขาเห็นเราทําความดีแล้วเขามีความชื่นชมยินดีเขามีอะไรที่จะให้กับเราได้เพื่อเป็นการให้กําลังจิตกําลังใจเขาก็มอบให้กับเราเช่นพระเจ้าแผ่นดินก็สามารถมอบให้เราเป็นคุณหญิงคุณนายได้ หรือถ้าเป็นพระก็ให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณได้หรือถ้าเป็นเจ้านายของเราถ้าเขาเห็นความดีงามของเราเขาอาจจะขึ้นเงินเดือนให้กับเราก็ได้หรือจะเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับเราก็ได้แต่ก็ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นอนเสมอไปบางทีเขาอาจจะเห็นบางทีเขาอาจจะไม่เห็นหรือก็อาจจะไม่เห็นว่าการกระทาของเรานั้นเป็นความดี เขาก็อาจจะไม่ให้สิ่งต่า ง, างๆที่เรียกว่าลาบยศสระเสริญสุขกับเราแต่เรื่องเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเพราะลาบยศสลเสริญสุคนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขกับความเจริญที่ภายในจิตใจแล้วก็เปรียบเหมือนกับเพชรกับก้อนอิด ก, ก้อนกวดก้อนทรายนั่นเองคือความสุขความเจริญทางในจิตใจของเรานั้นเปรียบเหมือนกับเพชร ส่วนสิ่งที่เราได้รับทางด้านลาบยศเสรเสริญสุขนั้นล้วนเป็นเหมือนกับก้อนอิด ก, ก้อนขวดก้อนทรายไม่มีคุณค่าอะไรเลยต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทําให้เราถ้าเรายังไม่ได้เป็นคนดีกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าเราเป็นคนชั่วเราก็ยังเป็นคนชั่วอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มาพัฒนาจิตใจ พัฒนาคนให้เป็นคนดีได้นั่นเองสิ่งที่จะพัฒนาได้นั้นอยู่ที่การกระทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจดังนั้นเราจึงควรที่จะน้อมเอาสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังทุกวันพระน้อมเอามาปฏิบัติในเวลาที่เราสามารถปฏิบัติได้ เช่นทําบุญทําทานเราสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคนที่ไหนที่มีความเดือดร้อนที่ไหนที่มีคนลําบากยากยา ก, ยากจนก็เราก็สามารถทําบุญได้กับคนเหล่านั้นแต่การทําบุญถ้าเราสามารถเลือกคนทําได้ก็จะมีอนิสงส์มากกว่าเพราะคนเหล่านั้นมีความ ดีงามแตกต่างกันไปนั่นเองคนบางคนก็มีความดีน้อยมีความชั่วมากบางคนคนบางคนก็มีความชั่วน้อยมีความดีมากถ้าทำบุญกับคนที่มีความดีมากเขาเท่ากับส่งเสริมคนดีให้ได้ทำความดีมากยิ่งิ่งขึ้นไปถ้าทำบุญกับคนที่มีความชั่วก็เท่ากับการส่งเสริม ให้เขาได้ไปทำความชั่วมากยิ่งขึ้นไปการทำความดีของคนนั้นมีแต่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขกับตนเองและกับผู้อื่นส่วนการทำความชั่วนั้นก็จะมีแต่การนำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนให้กับตนเองและกับผู้อื่นดังนั้นถ้าเราเลือกได้เราก็ควรที่จะเลือก ทำบุญกับคนดีถ้าเราเลือกไม่ได้บางครั้งมันเรื่องของมนุษยธรรมเห็นเขาเดือดร้อนเห็นเขาลําบากถึงแม้เขาจะเป็นคนชั่วร้ายก็ตามเถิดแต่เรื่องของมนุษยธรรมก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาไปตามสมควรแก่ความจําเป็น <c oughs> แต่ถ้าเรามี มากมีของมากมีเงินมากเราก็เก็บไว้เอาไปทำกับคนดีเอาไปทำกับวัดเอาไปทำกับโรงพยาบาลโรงเรียนเพราะสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่จะทำแต่คุณและประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองดังนั้นเรา สามารถทำความดีได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ใช่หมายความว่าต้องรอมาที่วัดแล้วจึงจะมาทำบุญทาทานได้เราอยู่ที่ไหนสะดวกเมื่อไรมีมีกําลังที่จะทำได้ก็ขอให้รีบๆทําเสียเพราะชีวิตของคนเราั้านเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจะอยู่จะไปเมื่อไหร่ ไม่มีใครมากําหนดได้ถ้าไปก่อนที่เราได้ทำบุญทมกุศลก็เป็นการเสียประโยชน์ไปเงินทองที่มีอยู่ก็ต้องทิ้งไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วเงินทองก้อนนั้นก็ไม่ใช่เป็นของเราไปแล้วแต่ในขณะที่เรายังมีโอกาสมีชีวิตอยู่ เรามีเงินทองเหลือใช้ถ้าเรามาวัดไม่ได้เราทำกับที่ไหนก็ได้ที่ใกล้กับเราใกล้ตัวเราเช่นพ่อแม่ของเราก็เป็นบุคคลที่เราควรที่จะทำอย่างยิ่งเพราะท่านก็เปรียบเหมือนกับเป็นพระของเราเมื่อเราได้ทำกับพ่อแม่แล้วญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายคนทํางาน ใกล้ชิดเราลูกน้องเราเหล่านี้เราก็สามารถที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเขาได้ตามสมควรแก่ความจําเป็นของแต่ละบุคคลส่วนเรื่องการละเว้นจากการกระทําบาปก็สามารถละเว้นได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นจะต้องมาที่วัดแล้วมาสมาทานศีลกับพระก่อนแล้วถึงจะไป บำเพ็ญรักษาศีลเพราะศีลนั้นมันอยู่ที่การกระทําทางกายและวาจาของเราเรามีการกระทําทางกายและทางวาจาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะละเว้นการกระทําสิ่งที่ผิดศีลได้เสมอถ้าเรามีความตั้งใจเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอ ให้ถึงวันพระแล้วถึงจะมาสมาทานศีลแล้วก็รักษาเพียงในสําหรับบางคนก็รักษาเพียงในขณะที่อยู่ในศาลานี้เท่านั้นพอออกจากศาลาแล้วก็ไม่รักษาแล้วอย่างนี้มันไม่พอเพราะเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเพียงคําเดียวมันไม่พอจะต้องรับประทานมากๆ จนรู้สึกว่ามันอิ่มมันแน่นท้องขึ้นมาจนไม่สามารถรับประทานเข้าไปได้อีกการรักษาศีลก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลยคือตลอดเวลาที่เรามีมีความรู้สึกตัวอยู่ตื่นขึ้นมาเราควรที่จะมามีสติคอยดูแล การเคลื่อนไหวการกระทำทางกายทางวาจาอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้วาจาของเราไปพูดปดมดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้เจ้อพูดส่อเสียนพยายามหักห้ามจิตใจเวลาจิตใจจะพูดเรื่องเหล่านี้<ม>ก็หยุดเสีย<ม>การหยุดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรใครเขาจะว่าอย่างไร ก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเราไม่ได้พูดเสียอย่างแล้วเขาจะไปคิดอย่างไรมันก็เรื่องของเขาแต่เราเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นมันเป็นบาปคือผิดศีลมันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่างนี้เราก็อยากไปพูดบัญอยู่เฉยๆหรือ ไปพูดเรื่องอื่นแทนเสียก็ได้พูดเรื่องดินฟ้าอากาศก็พูดไปได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องมีสติเราต้องรู้อยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรเราไม่ต้องไปเสียดายคนที่เาเราคิดว่าถ้าเราไม่พูดแล้วเขาจะโกรธเราเกลียดเราถ้าเราเห็นว่าเราพูดไปแล้วเราเสียสิงหรือเสียสัตว์ ต่อสู้รักษาศีลรักษาสัจจะไว้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าที่เราเสียศีลเสียสัจจะเพื่อรักษาเพื่อนเอาไว้เพื่อนนั้นหาได้ไม่ยากมีอยู่มากมายในโลกนี้เราสามารถหาได้ใหม่อยู่เสมอแต่ศีลและสัจจะนี้เป็นสิ่งที่รักษาได้ยากแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมีคุณค่ายิ่งกว่าเพื่อนฝูงทั้งหลาย เพราะศีลนี้เป็นที่พึ่งของเราได้ดงที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ในท้ายของศีลคืออนิสง์ของศีลว่าซีเลนะสุขติยตันติศีลเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุขติไปเปิดเป็นมนุษย์เป็นเทเทเป็นพรหมเป็นพระอริยะบุคคลก็ศีลเป็นเหตุที่พาให้ไป อย่าไปคิดว่าการทำบุญทำทานอย่างเดียวไม่ต้องรักษาศีลนั้นจะพาให้เราไปสวรรค์อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเข้าใจผิดการทำทานนั้นเพียงแต่ทำให้เรามีมีความสมบูรณ์ในเรื่องภพกระซับทั้งหลายในเรื่องปัจจัยศีคือเราไปเกิดที่ไหนสถานที่ใดพบใดสูงหรือต่า เราก็จะมีโภกทรัพย์มีข้าวของเงินทองพร้อมเพียงคือได้ไปเกิดบนกองเงินกองทองนั่นเองถึงแม้จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นเป็นสุนัขในบ้านของคนรวยของเศรษฐีแล้วเกิดเป็นสุนัขที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีใครเห็นก็อยากจะเอาไปเลี้ยงนี่เป็นอนิสง์ของการ ทำบุญให้ทานแต่ไม่สามารถยับยั้งการไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเปรนเปรยเป็นผีไปนรกได้ถ้าไม่รักษาศีลทั้งห้าข้อศีลห้าข้อนี้ต่างหากเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ไ ป, ปได้เป็นเทพไ ด, เได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยบุคคลจนในที่สุดไปพระนิพพาน ก็ต้องมีสิลเป็นสิน่งที่พาไปท่านจึงแสดงไว้ที่ท้ายสีลว่าซีเลนะสุกติยันติสีลเป็นเหตุให้ไปสู่สุกติซีเลนโภกรรสัมปทาศีลเป็นเหตุให้เรามีพร้อมด้วยโภคทรัพย์คือถ้าเราหาเงินหาทองมาด้วยความสุจริตไม่ไปผิดกฎทำผิดกฎหมาย ของต่างๆที่เราหามาก็เป็นของที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราหามาด้วยการผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมของเหล่านั้นมันถือว่าไม่สะอาดมันก็อาจจะต้องถูกเขามายึดคืนไป mm hmm. เช่นเราไปทําผิดกฎหมาย mm hmm. ไปป้นธนาคารได้เงินมาแต่เจ้าหน้าที่ํารวจมาจับเราเข้าคุก เ, เข้าตารางไป แล้วก็ยึดเงินของกลางนั้นคืนเจ้าของเข้าไปอย่างนี้เราก็จะไม่มีภพภกกระพับแต่ถ้าเราหาเงินมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามสติปัญญาตามความพยันหมั่นเพียรของเราเราหามาได้มากน้อยเพียงไรเงินทองเหล่านั้นก็จะเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงจะไม่มีใครสามารถมายึดมาเอาไปจากเราได้ นี่คือความหมายของอานิสงส์ของศีลที่แสดงไว้ว่าสี่เลนโภกสมพัทาศีลเป็นเครื่องทําให้เรามีโภคสัพยทธ์และประการสุดท้ายสี่เลนะนิบุติงยันติศีลเป็นเครื่องดับทุกข์ภายในใจของเราถ้าเราไม่ไปกระทําผิดศีลไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ไปรักทรัพย์ประพฤติผิดกเวณีไม่พูดโกดมตัดโกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาจิตของเราจะตั้งอยู่เป็นปกติเราจะไม่มีความกังวลตกอกตกใจกลัวว่าจะมีใครเขามารู้ว่าเราไปทำอะไรไม่ดีพิรายเราจะไม่ต้องมีความหวาดกลัวหวาดระแวงเราจะไม่มีใครเ ข, เขาจะมาจับเราเข้าคุกเข้าตาราง จะไม่มีใครเขาจะมาชี้หน้าด่าเราว่าเป็นคนไม่ดีเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่รักษาศีลทั้งห้าข้อนี้เราจึงจะมีจิตใจเป็นปกติไม่มีความทุกข์ไม่มีความว้าวุ่นขุ่นหัวที่เกิดจากการกระทาความไม่ดีนั่นเองนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการ กระทำความดีที่เรียกว่าทำดีได้ดีทำดีแล้วก็จะมีความสุขมีความเจริญทางจิตใจส่วนผลรางวัลตอบแทนจากผู้อื่นนั้นก็สุดแท้แต่ผู้อื่นเขาจะเห็นสมควรถ้าเขาเห็นแล้วเขายินดีด้วยอนโมธนาด้วยเขาก็อาจเขาก็จะตอบแทนเราด้วยลาบยศสรรเสริญแต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วย เขาก็จะไม่ตอบแทนแต่ก็ไม่มีความหมายอะไรสําหรับคนที่ทําความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะคนทําความดีด้วยบริสุทธิ์ใจนั้นไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้หนึ่งผู้ใดนั่นเองเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าทําความดีนั้นมันมีผลตอบแทนอยู่ในตัวของมันแล้วมันไม่ต้องไปรอให้ใครเขามาขอบอกขอบใจ ไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาให้รางวีรางวัลกับเรานี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทําความดีท่านจงสอนว่าทําดีได้ดีดันเองส่วนการทําความชั่วทําบาปทํากรรมก็จะเป็นเหตุที่จะทําให้เรานั้นต้องมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจในขณะที่เรายังไม่ตายไปเราก็ตกนรกทั้งเป็นแล้ว เพราะใจของเรามีความรุ่มร้อนมีความหวาดกลัวมีความทุกข์มีความไม่ส บ, สบายอกไม่สบายใจดังนั้นเราจึงต้องพยายามดูผลที่เกิดขึ้นในใจของเราอย่าไปมองผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากบุคคลภายนอกถ้าอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่เรียกว่าเป็นการทำความดี มันเรียกว่าเป็นการทำมาค้าขายมีการแลกเปลี่ยนกันเช่นเราทำอะไรให้คุณสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็ต้องมีอะไรตอบแทนให้กับเราอย่างนี้ก็เหมือนกับการไปซื้อข้าวซื้อของตามร้านขายของนั่นเองเรามีเงินให้เขาเขาก็มีของให้เราเป็นการแลกเปลี่ยนกัน อย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการทำความดีนะการทาความดีนั้นต้องทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราทำความดีกับเขาแม้แต่คำว่าขอบ อ, อกขอบใจก็ไม่สนใจแต่เราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าเขามีความจำเป็นเขาขาด เหลือเขาขาดเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพอที่จะหามาให้เขาได้เราก็หามาให้เขาไปเพื่อเขาจะได้อยู่อย่างเป็นสุขบ้างถึงแม้จะไม่มากก็ยังดีอย่างน้อยก็ได้ดับความทุกข์ถ้าเขาไม่มีอาหารรับประทานเราให้อาหารเขารับประทาน เขาก็จะต้องมีความสุขที่เกิดจากการได้รับประทานอาหารเรารู้อยู่แก่ใจของเราเวลาเราไม่ได้รับประทานอาหารสักมือสองมือแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะต้องมีความหิวมีความกระหายอย่างแน่นอนแล้วถ้ามีใครมีจิตเมตตาเอาอาหารมาให้เรารับประทานเราจะรู้สึกอย่างไรเราต้องรู้สึกมีความรู้สึกว่าชื่นชมยินดี ในความเมตตาของเขาถึงแม้เราจะพูดขอบอกขอบใจหรือไม่ขอบอกขอบใจเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนดีนะเขานี่แหละคือความหมายของการทำความดีการทำความดีแล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนจากผู้หนึ่งผู้ใดขอให้มีผลดีเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเป็นใช้ได้แล้วเราจะมีความสุข เราจะมีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองแล้วความหิวความอยากความกระหายที่อยากจะมีสิ่งต่างๆเหมือนกับคนอื่นเขามันก็จะลดน้อยถอยลงไปต่อไปเวลาเรามีเงินเหลือใช้แทนที่เราอยากจะเอาไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพแต่เห็นแล้วอดอยากที่จะซื้อมาไม่ได้ มันจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นในใจของเราเพราะเราจะจำได้ถึงความสุขความอิ่มเอิบใจที่เราได้รับในขณะที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นมันก็จะทำให้เราอยากที่จะเอาเงินที่เรามีเหลือใช้นี้เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเองเพราะมันเป็นการทำประโยชน์ทั้งสสองสวนด้วยกันผู้รับก็ได้รับประโยชน์ผู้ให้ก็ได้ประโยชน์ ผู้รับก็ได้ความสุขที่ได้รับการดูแลในสิ่งที่ตนเองขาดตกบกพร่องผู้ให้ก็ได้รับความสุขจากการทำความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปถ้าเป็นมนุษย์ก็ได้กลายเป็นเทพทันทีโดยที่ไม่ต้องไปรอให้ถึงวันตายก่อน เพราะว่าจิตนั้นกับกายนั้นเป็นคนละเรื่องกันกายนี้เป็นมนุษย์ก็ตามแต่จิตนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเทพเป็นเบลฉานได้ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราถ้าไปทำบาปทำกรรมทันทีทันใดจิตนั้นก็กลายเป็นเบลฉานได้ทันทีทันใดถ้าไปทำบุญทำกุศลจิตนั้นก็กลายเป็นเทพเป็นพร ม, มาได้ทันทีทันใดเช่นเดียวกัน เพราะจิตนี้เป็นสิ่งที่ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกนั่นเองไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เมื่อตายไปมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกแต่ใจต่างหากที่จะไปสวรรค์หรือไปนรกถ้าขณะที่ตายไปใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ ที่ระลึกถึงความดีงามที่ตนเองได้กระทํามาก็จะพาให้ใจได้ไปสู่สวรรค์ทันทีถ้าตายไปแล้วมาคิดถึงความชั่วร้ายที่ตนเองได้กระทํามาในอนดีตก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายเกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาก็จะต้องไปตกนรกทันทีนี่แหละท่านสิงสอนให้เราหมั่นทําความดีไว้มากๆเพราะเมื่อเราทํากรรมดีไว้มากๆแล้ว เวลาเราตายไปความดีเหล่านี้มันจะมาปรากฏขึ้นเป็นตัวที่จะส่งให้เราได้ไปสู่สุคตินั่นเองแต่ถ้าเราทำแต่ความชื่อไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็เวลาที่ตายไปความชื่อเหล่านี้มันจะมาปรากฏต่อใจของเราทาให้ใจของเรานั้นเกิดความรุ่มร้อนใจเกิดความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัส ก็จะต้องไปตกนรกทันทีเช่นเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นสิ่งที่จริงไม่มีพระสาวกรูปใดรูปหนึ่งที่หลังจากได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะออกมาคัดค้านว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นไม่เป็นความจริงนี่ไม่ใช่เป็นฐานะของพระสาวกทั้งหลาย ไม่ใช่ฐานะของทมสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น